ตานในควางก่อนเต่าตกับปลาเต่าอยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ำก็อยู่ไม่ได้นานต้องพูดหายใจไงก็ไปอยู่บนบกส่วนมากส่วนปลาก็อยู่ในน้ำเอาขึ้นจากน้ำอยู่นานไม่ได้ตายเพราะเป็นสัตว์น้ำเต่ากับปลาเป็นเพื่อนกันพาเต่าลงไปในน้ำสนทนากันกับปลาปลาถามว่าบนบกเป็นยังไงมีอะไรบ้างเต่าก็บอกว่า มีภูเขามีต้นไม้มีดอกไม้มีแอ่งน้ามีทุกๆอย่างที่ในน้ำไม่มีปลาก็มีแต่ความสงสัยว่าดอกไม้เป็นยังไงคนเป็นยังไงสัตว์เป็นยังไงต้นไม้เป็นยังไงบอกเท่าไรเท่าไรปลาก็ไม่รู้ปลาไม่รู้นี่คือนิทานที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่นานเล่าเอไว้ คือระหว่างความสงบวงเล็บนิพพานกับสิ่งที่สมมติมันไปคนละเรื่องคนละเรื่องเราปฏิบัติทำกันขั้นแรกทากายวาจาให้สงบขันต่อไปทำจิตให้สงบเราก็คิดว่าจบแล้วมันยังไม่จบทำกายวาจาให้สงบไม่ใช่ไม่พูดทำจิตให้สงบไม่ใช่ไม่คิดแต่แล้ว ต้องทํากิเลสให้สงบทํากิเลสให้สงบกิเลสเชื่อว่าอุปธิอุปาธิสิ่งที่เข้าไปกัดขวางไม่ให้เกิดความสงบขึ้นมาได้มันก็ออกมาทางปากออกมาทางการกระทํานั่นคือทางกายทางวาจาทางจิตถูกผลักดันมาจากอาวิชชาก็คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีนถ้าจิตสงบจิตสงบ จิตสงบไม่ใชหยุดนิ่งจิตสงบจิตอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งให้เข้าใจว่าธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งทถ้าธรรมชาติที่ปรุงแต่งนก็ยังเป็นกิเลสอีกธรรมชาติที่ปรุงแต่งเอาทองมาทาสร้อยคอก็อปรุงแต่ง ดอกไม้สีเหลืองสีเขียวสีแดงก็ถูกปรุงแตง่งด้วยแสงอาทิตย์โดยสีต่างๆมันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นความสงบจริงๆขอบอกว่ามันพูดไม่ได้ความสงบจริงๆมันพูดไม่ได้ ตางว่าพระนิพพานคืออะไรความสงบจริงๆคืออะไรหุบปากเงียบหุบปากเงียบไม่มีคำพูดไม่มีคำที่จะพูดกายสงบว่าจะสงบจิตสงบกิเลสสงบกิเลสสงบก็อยู่กับ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความสงบจิตนั้นก็อยู่กับธรรมชาติที่สงบไม่ใช่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งธรรมชาติที่ปรุงแต่งทั้งหมดที่เราเข้าไปหลงสิ่งสมมติไม่ว่าสมมติทางนั้นสมมติทางนั้นไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีเหลือง ไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่โลกตั้งทรงและโลกก็เป็นสิ่งสมมติทุกอย่างเป็นสิ่งสมมติทางนั้นจิตที่ไม่ปรุงแต่งเรียกวิวมุตติวิมุตติจิตหลุดพ้นเรียกวิมุตติวิมุตติก็คือหลุดพ้นญาณาปาญสติ อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำให้สติปัตติปัตฐานสี่เจริญต่อไปสติปัตฐานสี่อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำให้โพดเกโพดชงเกตแจงแจ้งขึ้นโพดชงเกตอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำให้วิชาวิมุติสมบูรณ์ วิชาก็คือรู้อะไรตามความเป็นจริงนะไอ้นี้มันสมมติสมมติไอ้นั่นก็สมมติไอ้นั้นก็สมมติเห็นสมมติจึงจะเกิดวิมุตติวิมุติหรือวิมุติวิมุติเกิดวิมุติเกิดวิมุติกิหลุดหลุดจิตหลุดจิตหลุดออกจาก กายจากเวทนาจากจิตจากธรรมชาติที่สมมติทั้งหมดจิตนั้นก็วิมุตติวิมุตติหลุดหลุดออกไปแล้หลุดออกไปจิตนั้นอยู่กับอะไรจิตนั้นก็เป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นกูเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติที่สงบสงบจิตนั้นก็จะอยู่กับความสงบออกมาทางกายก็สงบทางวาจาก็สงบความคิดก็สงบมีแต่ความสงบตัวเดียวในเดือมดำในความสงบเฉย ไม่อออะไรไม่เป็นอะไรพระโพธิธรรมนั่งข้าหาพ้าหนังทํางมนนั่งอยู่อย่างนั้น่ันนั่งอยู่อย่างอยู่กับจิตที่สงบนี่คือนิพพานังปรมังจุกขงังเยน็นความสงบตัวนั้นเยน็ยนเย็น ไม่มีมึงไม่มีกูไม่มีสูไม่มีเราเย็นไม่มีสิ่งที่สมมติเราต้องแหวกแหวกม่านแห่งสมมติออกไปแล่วก็เป็นวิมุตติหรือวิมุตติเป็นวิมุตติแหวกม่านนั้นออกไปแล้วจิตก็จะพบกับสิ่งที่ สงบเย็นจิตนั้นก็อยู่กับความสงบเย็นไม่มีคำที่จะพูดแม้แต่ขอทานขอทานที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นขอทานด้วยแต่งตัวซ่อมซ้อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จ ขอธานนั่งอาบแดดนั่งอาบแดดพระเจ้าแผ่นดินมาเห็นขอธานถามว่าท่านต้องการอะไรบ้างโปรดบอกเราขอทานอยู่กับความสงบสบายหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นสมมติอีกนั่นแหละพูดว่าสบาย ท่านต้องการอะไรโปรดบอกเราบางคนก็เคยได้ยินนิทานนี้ขอท่านเรื่ตอบว่าที่ต้องการเลยคือท่านโปรดออกจากที่นี้ไปอยา่ามาบังแดดข้าพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรหรือท่าน อ, อาบแดดนี่ยก็อยู่กับความสงบอยู่กับความสงบ กินอยู่กับความสงบนอนกับความสงบนั่งกับความสงบชีวิตอยู่กับความสงบในชีวชิตนั้นก็ไม่มีความหมายหมดความหมายหมดความยึดมั่นถือมัน่นชีวิตคือร่างกายของหมดความยึดมั่นถือมัน่นชีวิตคือจิตก็เป็นธรรมชาติไปแล้วมันไม่มีอะไรแล้วนิพพานังปรเมงจุนยัง นิพพานว่างนิพพานว่างข้าไปยึดถือไม่ได้นิพพานก็ยึดถือไม่ได้ไม่ยึดถืออะไรหมดจึงจะสงบในความสงบนั้นมันก็จะเย็นเย็นมันเย็นมนราบรื่นเป็นจิตที่ไม่สะดุด มันจะไม่สะดุดอะไรงั้นก็นเลิกความยึดติดเลิกการปรุงแต่งเอสังโวปัจโมสุมสขโขการเข้าไปสงบสงบระงับดยดับจังการที่เป็นร่างกายก็ดีดับจังการที่เป็นจิตก็ดีดับจังการภายนอกที่มันมาปรุงแต่งก็ดีที่ไปปรุงแต่งจิต มันดับและมันเกี่ยวกับความสงบนั่นคือที่สุดของชีวิตที่เราต้องปฏิบัติให้เจอที่สุดของชีวิตมันหมดชีวิตชีวิตก็คือความทุกข์ไม่มีอะไรความทุกข์ที่มันเผาหลนเผารลนจิตเผาหนจิตทุกวันทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืน เพราะเรามันหลงหลงโลกนี้หลงโลกนี้หลงกายหลงจิตหลงวัตถุหลงอะไรหมดหลงอะไรหมดชีวิตที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิมันก็มีแต่ความหลงชีวิตทีประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิมันค่อยๆก้าวตาง ข้าวทางแล้วก็เดินทางเดินทางไปเดินทางไปเดินทางไปจนสุดทางสุดทางสิ่งที่ไปพบก็คือความสงบความสงบเลิกยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดไม่ว่ากายไม่ว่าจิตไม่ว่าอะไรของจะดีวิเศษแค่ไหนก็เลิกยึดมั่นหรือมั่นหมด ไม่เป็นคนบ้าหอบฟางเราจะเป็นบ้าหอบฟางกันอะไรก็ไม่จบอะไรก็ไม่จบอะไรก็ไม่จบจิตก็สงบไม่ลงนั่นคือกิเลสต่างๆที่มันปรุงแตง่งมันผลักดันมันผลักดันออกมาผลักดันออกมาจากอวิชชา มาเป็นสังขารมาเป็นวิญญาณมาเป็นนามรูปครบวงจรทีหนึ่งทุกทีหนึ่งมันถูกผลักดันผลักดันมาสงบไม่ลงตายไม่ลงกลัวตายกลัวตายชีวิตที่สงบเป็นชีวิตที่เต็มบริบูรณ เต็มบริบูรณ์กิเลสไม่อาจที่จะเกิดได้อีกคือไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสไม่เข้าข้างกิเลสแต่มันมีเต็มเป็นชีวิตที่เต็มเต็มด้วยสติปัญญาสติปัญญานั่นก็ไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นอีกมันก็อยู่กับความสงบ อยู่กับความสงบตามธรรมชาติจะพูดว่าอย่างไงทีเนี้ยมันสงบมันจะยืนจะเดินนั่งนอนอะไรที่ไหนอยู่กับความสงบอย่างเดียวความสงบอย่างเดียวไม่ต้องการไม่ต้องการอย่างอื่นไม่ต้องการกระดาษมากๆ ก, กระดาษก็ไว้ใจไว้สอยพอสมควร ไม่ต้องการกระดาษให้รายโยมไปนับเงินก็นับได้แต่ที่นับกันชวนมากนับโดยความยึดมั่นถึงมั่นแต่ถ้าไปนับว่ากระดาษแผ่นที่หนึ่งกระดาษแผ่นที่สองแผ่นที่สามแผ่นที่สี่มันก็กระดาษที่มันเอาเยื่อไม้เอาระมปรุงแต่ง พุงแต่งแล้วก็มีสีมีสันมีรูปมีตัวเลขกล้าไปยึดมั่นถือมันจิตที่มันมันโง่มันเลยกล้าไปยึดมั่นถือมันอีกอันนี้เป็นสิ่งที่สําหรับไหวเลขเปลี่ยนทุกอย่างเราทําเองไม่ได้แล้วก็เอากระดาษนี้ไปแลกเปลี่ยนเมื่อก่อนก็เอาเปลือกหอย เลือหอยไปแลกเปลี่ยนต่อมาก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นทองเป็นทองเหลืองทองแดงตะ ก, กั่วนี่ก็กระดาษสมัยนี้ก็เลยใช้กระดาษสาหรับที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจะเอาถ้เย็นจะเอาโทรทัศท์จะเอาอะไระรถโอาราโอาบ้านโอจอง เราทองเอาย่องเรากระดาษไปเลขเปลี่ยนเราก็บูชากระดาษบูชากระดาษาหากระดาษกันใหญ่เพราะจิตมันปรุงแต่งมันผลักดั น, นตัณหาตัวตัณหามันต้องการตัวตัณหามันต้องการอย่างนั้นอย่างนี้อย่างข้าไปปูบังคับบัญชาปูบังคับบัญชาเรา มันน่ากลัวมันน่ากลัวถ้าเราเห็นความส ง, งบนั้นมันยึดถือมันเลยเห็นความส ง, งบมันก็ลิกอยู่กับความส ง, งบดีกว่าอะไรหมดอยู่กับความส ง, งบ <c oughs> นั่งกับความส ง, งบนอนกับความส ง, งบเนี่ยความส ง, งบเนี่ยก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไร ก็เยลยพูดออกมาว่านิพานนางปรมังจุก ข, ขังนิพานเป็นจุกอย่างยิ่ง <c oughs> มันไม่ใช่สุขมันไม่ใช่ทุกมันไม่ใช่อะไรแต่มันไม่มีคําพูดก็เลยต้องพูดไปว่านิพานนางปรมังจุก ข, ขงังนิพานเป็นจุกอย่างยิง่งในตามที่จริงพอเราพูดว่าเป็นจุกอย่างยิง่งเราก็คิดว่า เหมือนกับความจุกตางเงื้อนตาหนังความจุกตางตาตางหูพูดอะไรมก็ไม่ถูกทางนั้นไม่ถูกทางนั้นพอพูดว่าความสุขแอาวความสุขนั่งสบายนอนสบายกินสบายอยู่สบายไปต่างล่นจะอีกทะเลต ะ, ะเลยไปหมดนี่ความจุกคือความสงบเย็นความจุกคือจิตที่สงบเย็น เขาไม่ชื่อว่าสุขอีกนั่นแหละคือมันพ้นจากความทุกข์พ้นจากการปรุงแต่งอันโต้ทุกข์ขัดสนทุกขไปปกกก์ไม่เข้าไปผัวพันจิตนั้นทุกข์ก็คือกิเลสทั้งหลายไม่เข้าไปผัวพันไม่เข้าไปเสนอหน้ า, ยาหยุดสงบสงบแล้วมันตายไม่เป็น ความสงบเนี่ยมันตายไม่เป็นแต่อีขึ้นขึ้นลงลงมันตายเป็นเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายอย่างนั้นให้ขึ้นขึ้นลงลงนะตาเกิดดับหูเกิดดับจมูกลิ้นกายใจเกิดดับรูปเฉยๆลดลงสิ่งสมมติเนี่ยจะเกิดดับเกิดดับก็คือเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายแล้วเรียกว่าเกิดดับ แค่ว่าความสงบมันเกิดดับไม่เป็นมัดฐานถาวรนอมาตะานิรันดรเคือตัวความสงบอันนี้ที่พูดเพียงเทียบเคียงให้ฟังเงื้นข้างๆคู่ๆไปอย่างนั้นไม่มีคำพูดคำที่จะพูดมันไม่มีเพียงแสดง สิ่งที่สมมติเนี่ยให้มาเป็นวิมุตติมาเป็นวิมุตติมันสมมติทางนั้นทุกอย่างสมมติสมมติสมมติสมมติทางนั้นเลยให้เราก็ไปติดติดสมมติการราชการก็ติดขั้นติดยดึดสมมติทางนั้นการไปติดก็จิตมันก็ไปติดนั่นคือความยึดมัน่นถือมัน่น คนสวยคนรวยคนไม่สวยไม่รวยก็ติดทางนั้นติดหมดมันฉลาดกิเลสนมันฉลาดแต่ว่าพระพุทธเจ้าฉลาดกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยกี่หัวกี่คอมันบังคับมันอยู่ให้อยู่ใต้อำนาจนี่คือความสงบ ให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ใต้อำนาจของความสงบที่นี้พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์อยู่กับฝูงชนมากๆพระองค็หลีกเล่นท่าไปอยู่ในป่าก็คืออยู่กับของจริงของแท้อยู่กับความสงบ โประงไปอยู่กับความสงบแล้วก็เปล่งวาจาออกที่ไม่ได้มีเจตนาพระอรหันตะ์ท่านไม่มีเจตนาทําอะไรไม่มีเจตนาแล้วถ้่เราเปล่งวาจาวาตาด้วยลูกด้วยจกักกูวิญญาณด้วยสามอย่างทํางานร่วมกันทําให้เกิดปัจสาเพราะปัจสาเป็นปัจจัย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 เขาตาวิญญาณด้วยสามอย่างทำงานร่วมกันทำให้เกิดการกระทบเรียกว่าปัจจาเพราะปัจจาเป็นปัจจัยก็ไม่กล่าวไปยึดมั่นถือมันไปทำอะไรความสงบไม่ได้ความว่างที่สงบเย็นเวทนานั้นดับเพราะเวทนาดับตัณหาก็ดับก็ดับรวดเดียวไปถึงความทุกข์ดับ ทางตาก็เป็นอย่างนั้นทางหูก็เป็นอย่างนั้นจมูกด้วยกลิ่นด้วยกาณวิญญาณด้วยสามอย่างทำงานร่วมกันทำไมเกิดปัจจาเพราะปัจจาเป็นปัจจัยทำไมเกิดเวทนาเพราะความจางคลายดับไปตาบอกให้พูดให้เต็มเพราะจางความจางคลายดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือแห่งเวทนานั้นตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ ตลอดไปทุกดับลิ้นด้วยรดด้วยสิวหาวิญญาณด้วยสามอย่างทำงานร่วมกันทำให้เกิดปัจจาพอเกิดปัจจายแล้วมันซาบซ่านตามปกติของขวายกิเลสมันจะซาบซ่านเพราะว่าประสาทมันได้รับกลิ่นได้รับรสรายงานไปยังสมอง สมองก็ยึดมั่นถือมั่นเพราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้รู้จักอริยมรรคมีองแผดไม่รู้ควายดับทุกเพราะทราบทาบไปแล้วมันก็ยึดมั่นถือมั่นันเกิดความเคยชินขึ้นมาทุกเรื่องเนี่ยเกิดความเคยชินขึ้นมาทั้งทางตาทางหูทางจมูกลิ้งกายใจเกิดความเคยชินขึ้นมาก็ยึดมั่นถือมั่น เอาไปเก็บไว้เก็บไว้มันไม่มีอะไรต้านทานถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรักมีองค์แปดเรามีสิ่งแก้เอามาแก้เอามาแก้าาแกพวกทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แก้ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้มันก้าวทางไหนก็เกิดดับเกิดดับก้าวทางใจ ใจด้วยทำมารมด้วยมนโนวิญญาณด้วยสามอย่างทำงานร่วมกันทําให้เกิดปัจจาปัจจารทางใจเพราะปัจจาเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนาเพราะความดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือแห่งเวทนานั้นนีโรดข้าทํางานทันทีเพราะความดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือแห่งเวทนานั้นตัณหาจึงดับรตนาดับอุปาทานดับ พานดับพบดับพบดับชาติดับพระชาติดับทุกดับอะไรอะไรเข้ามาก็สลัดทิ้งสลัดทิ้งสลัดทิ้งสลัดกืนสลัดทิ้งสลัดกืนไม่ต้องการอะไรอยู่กับความสงบตัวเดียวอยู่กับความสงบจิตก็สงบอยู่กับความสงบเพราะจิตเป็นธรรมชาติไปแล้ว ถ้าจิตเป็นตัวกูไม่สงบยังมีความหลงยังมีความยึดมั่นถือมั่นเห็นแล่ธาตุแดงแดงเหลืองเหลืองเป็นโทองเห็นก้อนหินเป็นเพชรเป็นพลอยเหนอะไรต่างๆสิ่งที่สมมติเห็นเป็นของจริงเห็นเป็นของจริงไปหมด ในของเซนเด็กเด็กคนหนึ่งมันร้องไห้ร้องไห้ตีนี่ผู้ใหญ่ก็เอาใบไม้มาใบหนึ่งใบไม้ที่พึ่งตกลงมาจากต้นจากกัวสีเหลืองบอกมานว่านี่ทองทองทๆงท ง, งหยุดร้องไห้หริอจะได้ทองจะได้ทอง มันก็ไม่รู้ว่าทองมันคืออะไรมันยังเป็นเด็กตารกอยู่นั่นก็เลยหยุดร้องไห้นี่นเริ่มแต่จะยึดมั่นถือมั่นแล้วยึดมั่นถือมั่นถูกหลอกถูกธรรมชาติควายหนึ่งมันหลอกแต่ตามจริงจริงมันก็ไม่ได้หลอกก็เราโง่เราไม่รู้อะไรตามความเป็นจริงนั่นก็โง่ตั้งหน้าตั้งตาตั้งชีวิต ตั้งหน้าตั้งตาในการยึดมั่นถือมั่นนี่จะยึดมั่นถือมั่นทั้งดอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นนี่มันจะไม่ทุกข์ยังไงอยู่กับความยึดมั่นถือมั่มันก็ทุกข์จนตายทุกข์จนตายเหมือนกับเด็กถูกหลอกถูกธรรมชาติมันหลอกเพรธรรมชาติมันมีหลายอย่างที่ธรรมชาติที่สุดที่สุดของธรรมชาติ ใครเรียนจบสู่ของธรรมชาติถึงจุดความสงบจิตที่สงบเยน็นจิตที่เข้าถึงธรรมชาติเมื่อเข้าถึงธรรมชาติสงบเย็นีนี้ธรรมชาติทั้งหมดเย็นหมดเย็นหมดทั้งโลกเย็นหมดทั้งจักรวาลสงบหมดธรรมชาติทั้งหมดสงบหมด มันอยู่ที่จิตตัวเดียวจิตตัวเดียวก็สำคัญมันอยู่ที่จิตตัวเดียวหน้าต่างประตูนะตาหูนะมันทางเข้าทางออกมันก็รายงานมันก็กลายเป็นรายงานจิตมันกเป็นรายงานจิตทีนี้เรามันต้องศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริง แยกแยกให้รู้ตามความเป็นจริงอันนี้ปิติอันนี้สุขมันก็้าไปปรุงแต่งจิตทางนั้นที่มีความสุข ก, ก็เพราะว่าเกิดสุขทางเนื้อทางหนังทางต า, ง ท, า, ง ท, างทางหูนี่ก็เพราะว่ามันเข้าไปสัมผัสกับประสาทและก็ทำให้เกิดทราบซ่านขึ้นมา เราคิดว่สุขเราคิดว่านั่นคือความสุขในตามจริงมันเกิดดับทีเกิดดับทีเราก็คิดว่าเป็นความสุขเป็นความสุขอะไรที่มันเกิดดับไม่ใช่ตั้งนั้นเกิดดับให้เห็นการเกิดดับการปฏิบัตินี่ให้เห็นการเกิดดั บ, ก, บ, ก, ก, ดดบก็คืออนิจจังนั่นเองอนิจจังอ น, นัตตานั่นเอง จะเห็นอนิจจังอนิจจังคือมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เที่ยงเห็นอนัตตาไม่จะเห็นแต่อัตตานี่เราเห็นด้านเดียวเห็นแต่อัตตาเห็นแต่นิจจังทุกอย่างเป็นของเที่ยงทุกอย่างเป็นอัตตาเป็นอัตตาพระจิตมันเข้าไปยึดมั่นถือมันว่าจริงมันก็เห็นเป็นของจริงเป็นอัตตาไปหมด ตัวเองก็เป็นอัตตาคนอื่นก็เป็นอัตตาจิตก็เป็นอัตตาวัตถุทั้งหมดก็เป็นอัตตาเห็นเป็นของจริงไปหมดไม่รู้จักว่าไอ้สมมติมันคืออะไรสมมติมันคืออะไรแลวไม่ศึกษาวิมุตติไม่ศึกษาวิมุตติทำยังไงให้จิตหายหลงให้มันหลุดพ้น จากสิ่งสมมติเหล่านั้นจิตหลงเคลื่อลงเคลื่ไปตามประสาทประสาตตาประสาตหูมันรายงานหลงเคลื่อไปว่าของจริงหมดในโลกนี้มันมีแต่ของจริงของจริงของจริงของจริงพระพุทธเจ้าตรัสกับโมกขราชว่าดูก่อนโมกขราชท่านจงมีสติมองโลกด้วยความเป็นของว่าง ก็ว่างจากสิ่งที่สมมตินั่นแหละทุกอย่างมันสมมติเอาโจดกระโจดมาสารเป็นเสื อ, เ, อเราก็ไม่เรียกว่ากระโจดแล้วเรียกว่าเสือเอามาทําเป็นหมวกก็เรียกว่ามวกเอามาทําเป็นผ้าปูนั่งก็เรียกว่าผ้าปูนั่งกระโจดและแต่กระโ จ, จดนั้นก็ไม่ใช่ของจริงอีก มันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับสิ่งที่เราเอามาทำมาสร้างขึ้นมันก็เกิดดับเกิดดับสิ่งที่เกิดดับไม่ใช่ของจริงของจริงไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับเลิกการเกิดการดับเพราะมันเป็นของจริงมันเป็นของจริงนี่เราต้องเห็นเปิดหน้ากา ก, ากมันออกไปการปฏิบัติธรรมนี้ เปิดหน้ากากแห่งอวิชชานะออกไปให้เราก็จะเห็นของจริงเห็นของจริงพอเห็นของจริงนะ่ยทำยังไงจงิอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งไม่เออะไรไม่เออะไรอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิจิตนะี่ยอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่ง จะกินจะนอนจะอาบจะถ่ายจิตก็อยู่นิ่งนิอยู่นิ่งนอยู่นิ่งนิ่งคืออยู่กับความสงบนั่นแหละอยู่นิ่งนิก็ถามว่าทำยังไงการปฏิบัติทำกพเกินอยู่นิ่งนิ่งก็ยังไม่เข้าใจอีกเลว่าอยู่นิ่งนิ่งอะไรก็อยากไปวุ่นวายอยาไปยึดมั่นถือมัน ที่อยู่กับความสงบพยายามศึกษาความสงบให้เข้าใจให้รู้แล้วให้จิตเป็นตัวเดียวกันกับความสงบตัวนั้นมันก็จะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก็ดูทีอย่างที่เล่าให้ฟังในประเทศทิเบตเวลาในป่านะท่านอยู่ผ้านุ่งก็ไม่มี อาหารกินก็ไม่มีต้องเอาผักกูดมาต้มมาฉันมากินให้ชีวิตมันตั้งอยู่ได้ได้ทำเมยท่านไม่ลงมาบินตบาดกลางล่างได้กินดีๆเพราะว่าออยู่นิ่งๆหรือ ว, ว่าความสงบมันจำคันคันโกะจาคัญกว่ า, วาเป็นล้านเท่าหมื่นเท่าแสนเท่า ทานก็เลยดื่มดำอยู่กับความสงบตัวนั้นทีนี้ความสงบก็เป็นขั้นเป็นตอนอีกแหละก็เป็นขั้นเป็นตอนอีกทํากายให้สงบทําลมให้สงบทําปีตีให้สงบทําจิตให้สงบทํากิเลสให้มันสงบเนี่ยมันหลายขั้นหลายตอ น, เ, นเราต้องศึกษาให้เห็นจริงแล้วก็ปฏิบัติให้เห็นจริง ใ ห, ให้จะได้อยู่กับพระพุทธเจ้าให้จะได้อยู่กับพระอรหันต์แต่ต้องทำจิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาตคือความสงบเสียก่อนปฏิบัติได้จิตเข้าถึงความสงบเสียก่อนจิตเข้าถึงความสงบแล้วจิตนั้นก็จะอยู่นิ่งนิ่งอยู่กับความสงบอยู่กับความสงบ เดี่ยดำอยู่กับความสงบแต่ก็ไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความทุกข์บอกไม่ได้ว่าอะไรนั่นคือพูดไม่ได้พูดไม่ได้ด ไ, ม ไ, ดไม่มีคําที่จะออกมาก่าวออกมาเอย่ยออกมาพูดปฏิจัดตั้งผู้ศึกษาปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ตัวเองตัวเองอย่างนี้ อ่าทีนี้พูดมากมันก็เท่านี้เนะ่ยอยากให้โยมที่ฟังแล้วออกมาแสดงความคิดเห็นที่ว่าเป็นยังไงบ้างเชิญคุณประเสริฐก่อนจะแสดงความคิดเห็นว่าที่หลวง พ, พูพูดพูดพูดมาทั้งหมดมันอะไรเนี่ย มรสกการหลวงพ่อครับตลอดห้าวันที่ผ่านมาในหลักสูตรนี้ผมก็ติดตามหลวงพ่อมาหลายปีนะครับก็ต้องถือว่าในหลักสูตรนี้หลวงพ่อก็ให้เต็มที่นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงพระธรรมอันเป็นที่สุดแห่งทุก โดยไม่มีการปิดบังใดๆนะครับรวมถึงเส้นทางการเดินทางที่ชัดเจนโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายที่เพิ่งจบไปมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าที่ผมไล่สีดีแจกไปเมื่อคืนเดี๋ยวผมต้องไล่ใหม่นะต้องเพิ่มเรื่องสุดท้ายที่สุดแห่งทุกตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ผมขึ้นไปเรื่อยๆนะ ที่อยู่บญจอคือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้สมมุติบัญญัติมาอธิบายสภาพวิมุตติซึ่งเป็นการยากมากที่จะแสดงวิมุตติ ด, ด้วยสมมุติบัญญัติแต่พวกเราก็ได้ฟังก็เป็นความถ้าจะพูดว่าโชคก็เป็นโชคดีของพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ ผมเชื่อว่าในสังสารวัฏแห่งการเดินทางกันยาวนานเป็นการยากที่จะได้ยินได้ฟังได้พบกับผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงและนำสิ่งนี้มาบอกก็คงไม่มีคำพูดใดๆที่จะแสดงความขอบคุณอันไม่มีประมาณครั้งนี้ได้เพราพอได้ให้วิธีคิดได้ให้วิธีปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงแค่พ้นทุกเล่นเล่นหรือพ้นชั่วคราวแต่เป็นการพ้นทุกอย่างทาวอนก็ขอกราบนมัส ก, การหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างยิ่ง